ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายไปถ่ายมามันทำให้เราฟุ้งซ่านคนข้างๆเราก็เดือดร้อนด้วยํำคาญเสียสมาธิยังมีเดินเข้ามาเรื่อยๆรอสักประเดี๋ยวก็ได้หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเวลาเรามีเวลาบ้างห้านาทีสิบนาทีอย่าไปทิ้งตรบเป๋าเอาเวลานั้นมาปฏิบัติเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บไปเรื่อยๆ คราวนึงนะพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อก เ, เกษมเก็มโกฟังท่านบอกว่าท่า น, น ง, งานเยอะนีเวลาท่านมีเวลาห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่งนี้นั่งรถไปท่านเตรียมงานเสร็จแล้วท่านก็มีเวลาว่างห้านาทีสิบนาทนะีท่านสอยชีวิตท่านเป็นช่วงย่อยๆเดี๋ยวห้านาทีเนี่ยไม่ใช่ทิ้งเปล่าท่านปฏิบัติถ้าพวกเรา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 กรรมฐานนั้มันเรื่องง่ายๆพลิกไปพลิกมาได้งั้นพยายามหายใจนะงลมหายใจนั้นเป็นกรรมฐานใหญ่ในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนะอนาปานสตินะเป็นยอดของกรรมฐานอันนี้ในเชิงของการทำสมาธินะสมาธิไม่ว่าเราจะทำด้วยวิธีใดก่อนที่จิตจะรวมมันมักจะานลมหายใจก่อน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 ส่วนที่เลวให้มันลดลงลดลงถ้าเราไม่เคยคิดถึงการพัฒนาจิตใจเลยนะยิ่งนานวันแนละ้วมันก็จะยิ่งชั่วมากขึ้นมากขึ้นนะดีลดลงลดลงเคยอารมณ์สบายสบา ย, บายก็จะขี้โมโหฉุนเฉียวอะไรย่างงี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนย่างบางทีก็ เ, เห็นเกตตัวะได้ยินเรื่องมนุษย์บ้าไหมเออมนุษย์บ้าความจริงมนุษย์ลุงก็มีไม่ใช่มนุษย์ป้าอย่างเดียวน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 อย่างเราโลภนะเราก็ไปทําร้ายเขาได้ไปแย่งชิงสมบัติเขาได้ไปแย่งลูกแย่งเมียเขาได้ไปปลิ้นป้อนหลอกลวงเขาได้หรือเวลาใจเรามีโลภะมีความโลภเกิดขึ้นมีราคะมีหลายชื่อนะตัวเดียวกันแหละบางทีเรียกราคะบางีแรีโลภะอยาา่างเงี้ยบางทีใจเรามีโลภะมีราคะก็ดีก็ได้มีความสุขก็เลี้ยงฉลองจิตเล่ารวมความแล้วก็คือที่เราทําผิด ศ, ศีลห้าได้นะ เพราะว่า <demi> ใจของเราเนี้ยถูกกิเลสครอบงานี่ทำไงเราจะยกระดับใจของเราเราก็ฝึกจิตใจของเร า, ใจใจเราถ้ากิเลสมาเราคอยรู้ทันโลบขึ้นมาเรารู้ทันโรกรธขึ้นมาเรารู้ทันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทั น, น ร, รู้ทันมันบ่อยๆทันทีที่เรารู้ทันอย่างใจมันโกรธเนี้ยเรารู้ว่าใจมันโกรธนะความโกรธมันจะหายอัตโนมัตินะเวลาโลภเรารู้ทันว่ามันโลภความโลภจะหายอัตโนมัตินี่พวกเราไม่เคยฝึก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 ไปโกรธแฉด่าเขาแม่งไหมเพราะอะไรเพราะว่าโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรามมดแต่ดูเขาเราไม่ได้เห็นว่าใจกําลังโกรธ ถ, ถ้าเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะเราจะรู้เลยว่าใจไม่สบายใจไม่มีความสุขเรื่องอะไรนะเขาขับรถอยู่ตัวรถแต่ใจเราอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขคนละเรื่องกันมันไม่มาปาดหัวใจเราซะหน่อยเใช่ไหมมันขับรถปาดหน้าหน้ารถเราไม่ได้ชนเราด้วยเพราะอะไรเพราะใจเรามมดแต่ไปสนใจคนอื่นนะ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 ต่อไปนี้เวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ว่าโกรธอย่ามัวแต่ดูคนที่โกรธอย่ามัวแต่ดูคนที่ทําให้เราโกรธอย่ามัวแต่ดูสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจหรือเวลาโลภขึ้นมาชอบขึ้นมานะ่ะอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าอยากซะก่อนรู้ว่าอยากนะความอยากมันจะดับ เ, เมืม่อความอยากดับแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลอะไรสมควรซื้อเราก็ซื้ออะไรไม่สมควรเราก็ไม่ซื้อมันจะมีเหตุผลขึ้นมา งั้นเลยถูกความโลภครอบงำนความโกรธแรงๆครอบงำนั้นก็ไปทําผิดศีลได้ความโลภแรงๆครอบงำก็ไปทําผิดศีลได้ถ้าเราขจัดต้นต่อเรารู้เท่าทันความโกรธความโลภในใจแล้รับรองว่าศีลห้าเนี่ยถือ ง, ง่ายมากเลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมีสติ ร, รักษาจิตนั่นแนหะจิตจะมีศีลอัตโนมัติขึ้นมางั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเราเราโม่แต่ดูแลร่างกายเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเรา เราปล่อยให้ศัตรูของจิตใจคือกิเลสนยะเพ่นพ่านอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่เป็นนี่นะคอยสังเกตกิเลสมาก็รู้กิเลสมาก็รู้อย่าปล่อยให้มันเพ่นพ่านเข้ามาครอบงาใจถ้าทำได้อย่างนี้ใจเราจะเริ่มมีคุณภาพนะจะดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยมีสีรเราก็จะมีสีต่อไปเรามาฝึกต่อไปเรื่อยๆใจเราหนีไปใจเราหลงไปคิดใจเราฟุ้งซ่านอไรเงี้ยเราคอยรู้ทัน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 ในรูปแบบนะแล้วก็น้อมใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขก็พุโทโธไปหายใจแล้วมีความสุขก็าหายใจไปนะดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูไปเนือเนี่ยมีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขามีซอฟต์แวร์นะวัดคลื่นสมองให้ฟังเสียงทะเลนะฟังแล้วมันสบายใจใช่สบายใจจริงก็สงบง่ายๆหลักเดียวกันเท่า น, นี้เองไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรหรอก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 แต่ว่าเวลามันเมื่อยขึ้นมาเราก็ขยับใครยังไม่ขยับเลยมีไหมนี่หลวงพ่อเห็นนะก็ขยับขยับมากไม่ได้ก็ขยับน้อยเรืองอิเลีย บ, บทย่อยนะะก็แกเมื่อยไปเลยนะหรือนั่งแล้วคันบ้างไหมถ้าอยู่ที่ตรงหลวงพ่อจะเห็นนะว่ามนุษย์เนี่ยสืบเชื้อสายจากลิงอีงจริงๆเลยไม่อยู่นิ่งหรอกเนนะเก่านอนเก่านี่ไปเลยนะแต่ไม่รู้ตัวนะเวลาคันขึ้นมาก็เก่าไม่รู้ตัว เวลาเมื่อยขึ้นมาก็ขยับไม่รู้ตัวว่าเมื่อยก็เลยไม่เห็นสียทีว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แล้วต่อไปนี้นะั่งคอยรู้สึกในร่างกายได้เล ย, เลยมันคันขึ้นมารู้ว่าคันก่อนแล้วค่อยเกาวอนะเวลามันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยเสก่อนแล้วค่อยขยับถ้าทําได้อย่างเนี้ไม่นานหรอกไม่เ็ียงๆร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไม่นอนนอนก็ทุกขนะ์นั่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพลิกตั้งสามสิบสี่ิบครั้งนะ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 อันนี้จางก็คือมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายงั้นเวลาทำกรรมฐานนะบางคนไปทำจิตให้นิ่งจิตว่างสบายเนี่ยทำได้นึกจะทำอยู่อย่างนี้นานแค่ไหนก็ไดนะ้ทำให้ลืมโยมไปเลยนะสบายอยู่ของเราอย่างเงี้ยก็ไปคิดว่ากรรมฐานคือการทำจิตให้สบายนะมันก็ไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยง แล้วเาใช้จิตใจธรรมดานี่แหละเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นความจริงว่าสุขมันก็สั้นๆ น, นะทุกข์มันก็ชั่วคราวทุกอย่างมันก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวลกกรลภโรวหลงก็ชั่วคราวดูลงไปเห็นเนี้ยดูได้เห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวที่เห็นมันชั่วคราดนี่เรียกว่าเห็นอนิจจ์มันเคยมีแล้ว um, มันก็ไม่มีมเห็นอนิจจ์แล้วก็เห็นว่าเราบังคับไม่ได้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 รู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกไป็นสบา ย, บายเห็นเหมือนคนอื่นหายใจหายใจไปเห็นเหมือนคนอื่นหายใจฝึกได้เป็นนะไม่งั้นได้แต่สมาธิชนิดที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิสงบอยู่ขงนอกใครจะส่งอันบ้านมานวรักการค่ะพระอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วประมาณ ปีกว่าแล้วะค่ะเคยส่งกันบ้านพระอาจารย์ไปแล้วค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้อดทนมากๆค่ะอืมก็หนูไปฝึกมาปั๊บก็พยายามที่จะดูกายดูใจเพราะว่ากายมันมันมีความทุกข์มากค่ะอตอนนั้นก็ได้เห็นสภาวะที่เห็นเวทนาค่ะ ม, มันขาดาเป็นสายๆค่ะ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 เค่ะไ ป, ไปทำต่อน้มาส ก, การเจร้าค่ะการานมาสะพานนมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเ อ, อเคยมาส่งกันบ้านคุณพอออ่ออหลวงพ่อที่นี่เมื่อสามสามปีก่อนนะคะหลวงพ่อบอกว่าเป็นคนช่างคิดแล้วก็แนะนําให้ไปเคลื่อนไหวอทีนี้เวลาปฏิบัตินี่สังเกตว่าถ้าภาถ้าภาวนาพุโทโธเราจะพบสวะสภาวะธรรมมากกว่าเคลื่อนไหวอืเข้าใจว่าติดเพ่งมาจากเคลื่อนไหวก่อนนะคะ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 คิดว่าดูออกค่ ะ, ะก็สงสัยอยู่ค่ะสุขทุกข์ก็ดีชั่วก็คนละอันกับใจดูออกไหมคิดว่าดูออกค่ะดูออกแล้วละนะขันมันแยกได้แล้วละแล้วขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้ดูมันทำงานนะแต่ว่าอาศัยการรู้สึกในร่างกายมาช่วยกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้ถ้าทิ้งกา ย, กายกไปดูจิตอย่างเดียวนะั้นเดี๋ยวจะลับไปมันจะหลับง่าย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 <c oughs> มันไม่ยากนะในการที่จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยคุณ <c oughs> พระเจ้าท่านยังเคยบอกเลยบอกว่าวิสุทธ์เท่าไหร่อุทุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธนะ <c oughs> เขาก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรางั้นเบื้องต้นที่เราพอนานแล้วเราเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยดีแล้วละ่ะ <c oughs> นะ <c oughs> มันเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็น <c oughs> ต่อไปเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหรยก็เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราอีก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 มากแล้วก็ร้องออกมาเมื่อว้ายตายแล้ว <c oughs> แต่พอร้องเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะรู้สึกโดยอัตโนมัติไม่ได้บังคับ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจใดๆมันรู้สึกตัวแล้วก็หายกตกใจไม่มหลังจากปฏิบัติมาสักพักเนี้ยค่ะถูกแล้วละ่ะว่าเวลาตกใจเนะี้ยสติมันระลึกได้ความตกใจล้วขาดสะบั้นไปเจ้าค่ะนี่คือความรู้สึกตัวที่เราควรจะมีใช่ไหมเจ้าคะที่วันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ แต่มีหรือไม่มีอย่าไปบังคับมันนะเจค่ะมันมีเองอแล้วตรงเนี้ยมันจะข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยอย่างชาติต่อไปอตอนเราเด็กๆนะเวลากระทบอะไรที่ตกใจนะจิตมันจะดีดพังออกมาเป็นคนดูนะคําตกใจมันดับไปเองเลยจะเป็นเองนะคหของพ่อเคยเห็นตั้งหลายคนนะเป็นตั้งแต่เด็กเลยพวกนี้เคยพอนํามาแต่ชาติก่อนๆใช่ค่ะแล้วที่หนูปฏิบัตินี้เป็นยังไงถูกแล้วละ่ะใช้ได้แล้วใช่ได้คะ ไปดูนะขี้โมโหไหมมีบ้างเจ้าค่ะแต่คิดว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาแล้วดีขึ้นเยอะอะไรเจ้าค่ะอย่าไปบังคับจิตไว้นะถ้ากระทบอารมณ์แล้วไม่พอใจให้มาก็รู้อะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลานะถ้าดีตลอดเวลาจะเครียดไปว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยล้วนแต่เกิดเราดับทั้งสิ้นเท่าๆกันแต่ว่าไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละเจ้าค่ะพยายามมากไปไหมเจ้าค่ะมากไปหน่อย มันจะตึงไปเจ้าค่ะเพราะว่ารู้สึกกลัวมากกับความการเกิดนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะให้พ้นไปเลยเจ้าค่ะรีบรียบยิ่งช้าดูไปสบายๆนะเจ้าค่ะที่หลวงพ่อบอกว่ามันจะเป็นเจื้อโทสะเข้าไปเจ้าค่ะโทสะอะไรอ่ะโทสะกลัวเกิดกลัเกิดก็โทสานะอืความกลัวเป็นโทสะงั้นเราดูไปพานาไปสบายๆไม่รีบร้อนนะมันจะได้เร็วเจ้าค่ะ ยิ่งกลัวยิ่งช้าชเพราะยิ่งกลัวมันจะไปเค้นตัวเองบังคับตัวเองจกค่ะถามต่อไปขอบพระคุณจกค่ะกาศนอมสการค่ะหลวงพอ่อปฏิบัติมาครบหนึ่งปีแล้วตอนนี้เห็นกิเลสตัวีความอยากอะคะ่ะอืแล้วก็เห็นไหวๆยังมีไหวมากไหวน้อยออะะดีห้ามไม่ได้หรอไหวอะค่ะก็ทําตามที่หลวงพ่อบอกในซีดีอะค่ะเหนื่อยก็ทําสมถะอย่างนี้ถูกค่ะ ขณะนี้จิตเป็นไงตอนนี้ตื่นเต้นนะจิตไม่เป็นธรรมชาติรู้อย่างนี้ถูกแนละ้วจิตไม่ถึงฐานดูกออกไหมออใช้ได้กาบนะมัสการเจ้าค่ะหนูเพิ่งได้มีโอกาสฟังซีดีกับใน u t u b e ของหลวงพ่อเมื่อต้นปีนี้เองเจ้าค่ะต้นปีน ะ, ะไม่กี่เดือนเลยจิตจามาให้ค้างนี้ก็เก่งแล้วะละ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 เอาว่าหนูสงสัยนะคะหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดในตัวเราในร่างกายในทั้งหมดนะคะอืมมันเป็นเหมือนพลังงานหรือเปล่าเจ้าคะมันแยกออกไปนั้นเป็นพลังเป็นคลื่นไปหมดเลยนของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเจ้า<ช>คะพราะมันเบาแบบนุ่มนวลมากเลยเจ้าคะพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งสมาธิอยู่เป็นองค์อค์อย่างที่เขาว่าหรอกนะนี่นั้นปลอมอ หนวอย่าไปหลงพวกนั้นนะคอย่าไปสนใจของข้างนอกนักเจ้าค่ะ่ะให้ดูลู่ทันกายรู่ทันใจรู่ทันกิเลสของเรานี้ดีกว่านะเจ้าค่ะอย่าไปดูพลังพระพุทธเจ้าอะไรเงี้เจ้าค่ะมีไหมมีออแต่ว่าสู้กิเลสเราเป่าพลังพระพุทธเจ้าจะมาล้างกิเลสเราเนี้ยล้างไม่ได้เจ้าค่ะเราต้องล้างของเราเองเจ้าค่ะแล้วหนูทําอย่างนี้ถูกทางไหมเจ้าค่ะถูกนะแต่ว่าอย่าให้มันหมกมุ่นนะ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 แต่พอเพ่งแล้วเราก็รู้ทันว่าเพ่งมากไปก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะเพราะว่าพอนั่งไปสักพักมันก็จะเริ่มคลายออกไปใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเราํานานแล้วก็พอดีเลยพอดีแล้วอย่างนี้อยากทราบว่าติดเราถึงฐานหรือ ย, ยังอะคะถึง<ร>เห็นแม่กายกับใจเป็นคนละอันดูออกไหรือว่าร่างกายเนี่ยความสุขความทุกข์ใจก็คนละอานกันเคยเห็นไหมว่ามันแยกกันได้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 ต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธอย่างเนี้ถึงจะใช้ได้โกรธไปรู้ไปเป็นไปนไม่ได้ขอบคุณค่ะกลาวน้วัพสการหลวงพ่อจ้ะค่ะอือปกติหนูจะดูส่วนใหญ่จะดูเผลออ่ะคะ่ะแล้วก็ในรูปแบบก็ส่วนใหญ่จะดูะร่างกายเคลื่อนไหวอะคะออ่ะ<ช>แต่ว่าแต่ว่ามันจะมีปัญหาเวลา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 หลวงพ่อภาวนาได้ดีนะรู้สึกไหมใจมันเปลี่ยนไปค่ะใจมีความสุขนะมันโล่งโปร่งเบาดูไปทําได้ดีอยู่หลวงพ่อครับแล้วแล้วบางทีมันเวลาเห็นอะไรที่เรารู้สึกพึงพอใจแล้วมันจะวูบๆขึ้นที่อกก็แค่วูบๆไปก็แค่รู้ไปแค่รู้มันใช่ไหมมันวูบเองก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสุขทุกข์ดีชั่วก็อย่างนั้นแล้เกิดเราดับไปหมด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 E ชีวิตเราจะเปลี่ยนแบบนักเ<ๆ>นื่งไม่ถึงนะ e เพราะว่าธรรมะของพระเจ้านะสามารถเปลี่ยนแปลงเลยจิตใจเราเนี่ยได้ในเวลานสั้ น, นธรรมะของพระธเจ้าเนี่ยลักษณะสําคัญเลยอไม่เนิ่นช้าะ e เปลี่ยนอย่างเร็วเลยถ e ึงขนาดพวกเนลถีศาสนาอื่นนะใครจะมาคุยกับพระเจ้านะพักพวกจะเตือนอย่าไปคุยกับพระสมณะโกดมนะ ภสมมาษมาโคดมมีมนเปลี่ยนใจเห็นไหมเดือนเดียวใจเราเปลี่ยนแล้วจริงเจ้าค่ะเออจริงสิไม่หลอกเด็กหรอกอถ้าทำหลายปีแล้วไม่เปลี่ยนแสดงว่าทำผิดส่วนให<ช>ญ่ไป<ม>ทำสมถะโดยส่วนตัวก็พยายามรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองให้ได้บ้างที่สุดเจ้าค่ะก็โกรธขึ้นมาเพราะรู้ค่ะ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 <laughs> <g ül> ให้รู้ทันปัจจุบันไปนะ <c oughs> ดูกายดูใจเขาตัวเองไป <m im it> มีอยู่ข้อหนึ่งที่ยิ่งรู้สึกแบบเออพรไม่เขาไม่เชื่อว่าภพชาติมีจริงเจ้าค่ะนั่นแหละบอกว่าใหญ่คิดเดยอะ <c oughs> ให้ดูกายดูใจเขาตัวเองไปให้ดูกิเลสไปภ <c oughs> พชาติเนี่ยมีภพใหญ่ภพย่อยนะภพ <c oughs> ใหญ่เนี่ยดูยากไม่มียานทัศนะไม่เห็น <c oughs> บอกให้เข้าไปดูภพย่อยๆสิดูในใจเขา เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นแหละพบแหละแล้วการการเกิดแก่เจ็บตายก็มีจริงๆแต่ว่ามีอีกอันนึงคือเขาเชื่อว่าจิตวิญญาณไม่สามารถจะเกิดใหม่ได้ไม่สามารถที่จะถูกวิญญาณตัวเดิมไม่ได้ไปเกิดใหม่ค่ะนันเนเกิดวิญญาณตัวใหม่ในพบใหม่ค่ะคือที่เขาพูดมาเนี่ยนะเป็นการคิดเอาค่ะเป็นเรื่องความคิดการคาดคะเน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 เห็นหลงบ่อยๆอะค่ะโอ้ใช่ได้หลงได้เห็นยากนะถ้าเห็นได้ก็เก่งเลยมันต้องกลบหลงก่อนนะถึงจะโกรธต้องหลงไปก่อนถึงจะโลภได้ถ้าใจหลงแล้วเ ร, เรารู้นะโลภกับโกรธไม่มีช่องจะเกิดเลยรู้อย่างนั้นได้ก็เก่งเลยดีส่วนใหญ่จะเป็นหลงคิดนะคะหลวงพ่อนั่นแหละตัวร้ายหลงคิดนะาใจแล้วก็ตกเป็นทาสของมารมารตัวนี้ชื่ออพี่สังคารมาน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 เดี๋ยวคนมันว่าหลวงพ่ออวดอุตริโลได้ด้วยตัวเอง <G rab ble> กลับนวมัส ก, การ์ค่ะกลับนวมัสการ์นนะเจ้าค่ะพอดีที่ภาวนาอยู่ที่บ้านเจ้าคะ่ะมันจะนิ่งๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเงี้ก็ดูร่างกายถ้าดูใจนะใจนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูนนะดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจ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 เคยฝึกทำจิตว่างๆทำจิตสงบนั่นจะเอาแต่ตรงนี้คล้ายๆได้ความดีแค่นี้ก็พอใจแล้วนะสิ่งที่ดียิ่งปว่านี้มีอยู่โอกาสที่เราจะหาได้ก็ยังมีอยู่งั้นต้องไปให้เต็มที่ก่อนอย่าไปเสียดายบางคนนะทำแต่สมาธิสงบสบายไม่มีอะไรหรอกหลวงพ่อทำสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบนะทำยี่สิบสองปีแล้วสมาธิจะทำได้คล่องแคล่ว ไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ได้พ้นทุกอะไรดีไม่ดีเห็นโน่นเห็นนี่เสียอีกถามว่าเห็นจริงๆมั้ไเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่เราไปเห็นน้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้เนะชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกอัน้เห็นกิเลสในใจเราไม่ได้อันนี้ของจริงแหละเอาละพอสมควรนะจบละอนุโมทนานะกับท่านผู้จัด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 เราวนาแล้วคิดถึงเจ้าของสถานที่นี้นะขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญของพวกเราด้วยนี่เว่าเราใช้นี่เขาเอาละลวงออกไปแล้วละ